ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ผมก็อยากข อ, อนำเอาเรื่องโ ก, โกรธที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงโต้กับพรามเอามาให้ท่านได้สดับเพื่อเป็นการศึกษาบางทีถ้าใจคิดว่าผมน่ากลัวจะไม่มีเรื่องอะไรจะพูดแล้ว หากินเรื่องโกรธกันที่อย่างเดียวด้วยความจริงความรู้ต่างๆนี่ผมสอนท่านมาเกินกว่าที่คนอื่นเขาจะสอนตั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีครบเวลาที่ท่านจะเจริญสมณธรรมอขอให้ท่านเลือกปฏิบัติเอาตามอัิยาศัย ในเรื่องการแนะนําความรู้เกรเกรดนี่ก็เป็นภาระที่ต้องหามาให้ทันในฐานะที่ผมเป็นผู้บวชก่อนผมไม่ถือว่าทําผมเป็นครูท่านผมถือว่าผมเป็นพี่ท่านเท่านั้นพระองค์สมเด็จพระบิธกตมาทรงตัดว่าคนบวชก่อนให้ ถ, ถือว่าเป็นพี่และคนบวชที่หลังถือว่าเป็นน้อง สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงเป็นพระพุทธบีดรเราก็หาแม่ไม่ได้มีแต่พ่อแม่ที่ตามพร่ำสอนเราก็คือพระธรรมวนัยเป็นอนวุวาเราเป็นพี่เป็นน้องกันผมไม่ใช่พ่อท่านเมื่อผมก็ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ของท่านครูบาอาจารย์จริงๆก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฉะนั้นลีลาใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, จ้าทรงมีไว้ถึง8ป0 0 0สี่พันข้อผมก็จะขอนำมากล่าวให้ท่านฟังตามที่เห็นว่าสมควรแล้วก็ไปเครื่องคิดเพื่อ ร, ร, ระดับสติปรรัญญาในความจริงเรื่องกโกรธนี่มันเป็นเรื่องกระทบใจแรงตามที่ผมพูดมาใน เรื่องของปุะกรรมของพระมาหาสาวกซึ่งมีข่าวโผล่เขมาเขาบอกว่าคนที่ไปพูดก็คือรูปสิธิ์เขาหลวงพ่อเองเขาว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ารูปสิษย์ของผมไม่พูดแบบนั้นหรอกต้องเป็นรูปสิษย์ของเทวทัตเขาถึงจะพูดเว่าเราทราบไปได้ว่าคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกับเรานี่เป็นใครกันบ้าง ในที่ทุกสถานมีอยู่เสมอวันนั้นก็มีข่าวจากพระบาทสมเด็จพระยู่หัวทรงตัดว่าเขาเลือกันว่าหลวงพ่อเป็นพระการเมืองแม้แต่ลูกศิษย์ของพ่อเองก็มาพูดอย่างนั้นในความจริงพระองค์ทรงตัดให้ทราบเป็นความดีแต่ผมก็มานั่งคิดอยู่ว่าผมเป็นพระอะไรกันแน่เนอะ ถ้าผมเป็นพระการเมืองคราวนี้ผมต้องวิ่งเข้าไปอย่างน้อยที่สุดก็สมัครเป็นสมาชิกสภาปฏิวัติหรือไม่อย่างนั้นเวลารับปฏิวัติกันก็อาจจะไปร่วมปฏิวัติกับเขาแล้วถ้าว่าท่านหลายจะเห็นหาว่าผมแก้ตัวก็เป็นเรื่องของท่านผมเป็นตั้งพระการประสศาสนาเป็นดังพระการเมือง เป็นน้ำพระการบ้านและเป็นน้ำพระการวัดพระการบระศาสนาก็หมายความว่าธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริบาศาสดาสมมาพุทธเจ้าสอนถ้าสิ่งนั้นไม่เคยปัญญาของผมผมก็ปฏิบัติตามแค่กำลังจิตใจของผมจะพึงทำได้ นี่ผมเป็นพระการเมืองก็เพราะว่าผมอยู่ในเมืองผมไม่ได้อยู่นอกเมืองเมืองไหนก็คือเมืองไทยถ้าอะไรก็ตามถ้าจะเป็นประโยชน์สึ่ความสงบสุขกับรรดาประชาชนชาวไทยด้วยกันผมทําทุกอย่างตามกําลังความสามารถของผมจะพึงทํา แต่ไม่ใช่เป็นเป็นสมัครเป็นสมาชิกสภาพูดแดนและผู้แทนและเป็นรัฐมนตรีเป็นนักการเมืองหมายความหาทางช่วยเมืองให้มีความสุขตางกำลังที่จะทำได้เพราะเป็นจุดเล็กๆ เ, เป็นพระการบ้านก็เพราะว่าถ้าชาวบ้านเข้ามาหาถ้าสิ่งใดที่ไม่เกินมีสัยที่ผมจะให้ความสุขได้เป็นการสนองคุณความดีของท่าน ที่ท่านให้ข้าวให้น้ำให้ที่อาศัยให้ให้ความเป็นอยู่ก็สนองคุณท่านไปตามกำลังนี่กล่าวว่าผมเป็นพระการวัดก็เพราะว่าผมไปวัดไหนก็ตามผมสร้างทุกวัดยามทำตามกำลังของผมผมไม่ได้คิดว่าวัดนี่เป็นของใครคิดว่าวัดนี่เป็นขององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมสารเสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า สรงอวบรมีมาช่วยพวกเราเราพยายามบอกบุญบรรดาญาโยมพบริษัทตามกํากลังศรัทธาที่จะเพียงทำได้อย่างนี้ได้พระการวัดในการสี่การเนี่ยการเมืองก็ดีกา ร, ราศาสนาก็ดีการบ้านก็ดีการวัดก็ดีถ้าเนื่องหลายจะเห็นว่าจุดไหนมันไม่ดีแล้วก็อย่าทําตามผมนะครับ ใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าผมทำไปส่วนไหนดีห้อยทำตามถ้าส่วนไหนถ้ายังเห็นว่าไม่ดีจงอย่าทำตามแต่ผมขอไว้นิดหนึ่งว่าท่านนังหลายมาอยู่ในพลงเกตพระพุทธศาสนาจงอย่าเป็นผู้อาศัยพระศาสนาอย่างเดียว ยงทําตนให้พระศาสนาได้อาศัยท่านบ้างเป็นการสนองคุณพระผู้ดุเจ้าจะได้ไม่มีนามว่าเป็นผู้อกักตรันยูไม่รู้คุณพระพู้ดุจเจ้านีราการหนึ่งความเป็นอยู่ของเราจะมีได้เพราะอาศัยชาวบ้านผู้มีศรัทธามีการใดก็ดีที่ไม่เกินความสามารถที่เราจะสงเคราะห์ทสนองความดีของท่านใดเราก็ทําทุกอย่าง เพื่อเป็นการสนองคุณท่านเพื่อปฏิบัติตามกระแสพระบาลีที่กล่าวว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลใดมีความกตัญญูรู้ประกาะคนที่ท่านทำแล้วและตอบสนองคุณท่านพระพุทธเจ้ากล่าวถึงบุคคลเหล่านั้นว่าเป็นคนดี เรื่องอารามบทตรยกไปเรามาคุยกันทิ้งเรื่องพระพุทธเจ้าตรีกัพรามวาทะของพระพุทธเจ้าจำมาไว้ดีเนี่ยควรรับแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติด้วยอย่าจําแบบนกแก้วนกนทองเป็นกล่าวว่าตามธรรมบาลีว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเวฬุวันมหาวิหาร องสมเด็จพระบิมชิตมาทรงปรารภอาสุรินทัพาระทวาชโคตทวาชพรามแม่คนนี้ยาวเหยียดคนนี้เป็นนักโกรธพระพุทธเจ้าทางนั้นเนื้อได้สดับมาว่าได้ยินว่าพรามชื่อว่าภารทวาชโคตออกจากเกลือนบวช เป็นบนรรพชิตในสำนักของพระสมณะโคดมโกโรธจัดขัดใจนี่พวกนี้เนี่ยเป็นพวกเหนเกล้าบเพราะว่าในสมัยที่ตัวตั้งสำนักอยู่องสมเด็จพระบรมครูยังไม่ปรากฏก็ยังไม่มีใครขะนับถือองสมเด็จพระบรมสุคตลาบเซการะมันก็เกิดขึ้นกับเขา พอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาบรรดาประชาชนเห็นว่าดีกว่าตนเข้ามานอบน้อมองค์สมเด็จพระทศพลคนนี้ก็ขาดราบเมื่อขาดราบก็โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายราบสการะของต น, นเนื่องแก่ว่าราบสการะนี้มันเป็นเครื่องฆ่าคนชั่ว คนที่หลงเยียนลาบเสการะเป็นคนชั่วไม่ใช่คนดีเพราะจะรวยเท่าไรก็ตามทีเวลาตายแล้วไปไม่ได้สกายเป็นอนุวาเมื่อคณะพราหมณี้ตั้งสำนักใหญ่เป็นที่เคารพรับถือของคนมาองค์สมเด็จพระทศกุลประกาศพระศาสนาเขาก็วีโต้ อ, อย่างหนักเพราะว่าทำคำ ส, สอนของพระสมณะโคโดมไม่มีความหมาย แต่ต่อมาปรากฏว่าเพื่อนของตนย่องเข้าไปโบสในสาศาสนาขององค์สมเด็จระจอมไตรทำให้คำโฆษณาที่กล่าวว้ไร้ผลคนงโคจงเองเอียงยิงได้โกรธพระพุทธเจ้าหาว่าทำลายลาบสการะทำลายศักดิ์ศรีของตนอันนี้ขอบันดาท่านทั้งหลายจงจำไว้เมื่อจริยาแบบนี้มันเป็นจริยาที่ไม่ดี คนที่มีความโลภในราบสักการะมาราบสักการะต้องสลายไปและเสื่อมไปน้อยไปอารมณ์แห่งความชั่วคือความโกรธมันก็จะเกิดขึ้นมาได้โดยไม่มีเหตุไม่มีผลเพราะอะไรเพราะคนประเภทนี้เขาเรียกว่าทุรศชนคือคนชั่วเพราะชั่วยังติดในราบตามพระบาลีที่กล่าวว่าเมื่อเขาโกรธจัด จึงเข้าไปหาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ประทับเข้าไปหาแล้วก็นั่งด่าตามัตยาสท่านบอกว่าการบริพาทด่าว่าองค์สมเด็จพระจอมไจรเนินด่าด้วยวาจาหยาบคายมากไม่ใช่วาจาของสัตวบรุหคือผู้รู้คือคนดีต่อมาตามท่านบาลีจึงกล่าวว่าเมื่ออสุรินทระ อาสุรินทะกะภาระทะวชพรามมันยาวจัดนะเื่อยาวจริงๆกล่าวอย่างนี้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วได้ทรงนิ่งเสียจำให้ดีนะแต่คนเลวก็พูดอะไรมาแล้วก็มันไม่เป็นธรรมไม่ตรงกับธรรมวินัยถ้านั้นหลก็จะไม่ต่อรอต่อเถียงกับเขา ย่าเร็วเขาไปชนกับความเร็วถ้าเขาจะเร็วก็ปล่อยเขาเร็วไปแต่คนเดียวอย่าความเร็วของเขาที่เขาให้มาให้เราแล้วก็เรารับถ้าเราโกรธแสดงว่าเราก็รับเร็วเขาด่ามาเขาเร็วคนด่าคนเป็นคนเร็วถ้าเราด่าตอบเราก็เร็วกับเขาหน่อยจาได้ไหมเรื่องที่ผ่านมาแล้ว ยับยังดูตามอย่างขององค์สมเด็จพระบัณฑแกเยวถ้าสิ่งใดไม่เป็นที่พอใจไม่เป็นไปตามพระธรรมวินยัยก็นิ่งเสียก็แล้วกันการนิ่งถือว่าเป็นผู้ชนะคือเราไม่ยอมเลวด้วยคือเรียกว่าใบกลางกระเป๋ารับความเลวที่เขาเลวแล้วจะส่งมาให้เราเหมือนกับถ้อยคำที่กล่าวมาแล้วในเรื่องของบุพกรรมของมหาสาวก นั่นเป็นจริยาของคนเลวเขากล่าวช่างเขาถ้าเราเกรียดเขามา่อไรเราเลวมานั้นลำดับนั้นท่ากล่าวว่าอสุรินทะกะัพาพระธวาชกรรมได้กล่าวแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระสมณะนี่เราชนะท่านแล้วพระสมณะรู้หรือเปล่าว่าเราชนะท่านแล้ว ท่นนี้พ่อะไรเพราะเขาเห็นว่าองค์สมเด็จพระบัีฑิตก้วทรงนิ่งไม่ตอบกับเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้มีพระพุทธจิตกาตัดว่ารามณนะดูก่อนพรามขึ้นชื่อว่าคนผานกล่าววาจาหยาบด้วยวาจากล่าวคําหยาบด้วยวาจาย่อมสําคัญว่าชนะ แต่ว่าการอดกลั้นได้เป็นความชนะของมนุษผู้รู้แจ้งอยู่ผู้ใดโกรธตอบบคุคคลผู้โกรธแล้วผู้นั้นเป็นผู้ลาบกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้วเพราะการโกรธตอบนั้นบคุคคลไม่โกรธตอบบคุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอาบคุคคลชนะได้โดยยาก คนใดรู้อยู่ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบได้อยู่ผู้นั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือแก่ตนและแก่ผู้อื่นเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่ายคือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลาย ผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคนนั้นว่าเป็นคนเขาดำนี้พระพุทธภาสิทธิยังคนนึกออกไหมเพราะอ่านรวดพระพุทธเจา้าท่งกล่าวว่าคนพาลลาวคำหยาบด้วจาย่อมสำคัญว่าเป็นผู้ชนะแต่การอดกลั้นได้เป็นผู้ชนะของมนิตู้รู้แจ้งอยู่ นี่หมายความว่าถ้าเราอดกลั้นไม่ได้นี่ท่นหมายึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่ไปโกรธโกรธเพียงกันโกรธแต่ว่าไม่โตตอบใช้ขันติรู้เบคาธรรมอดกลั้นยันเข้าไว้ไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบ พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นความชนะของบัณฑิตคือผู้รู้บุคคลที่รู้นะรู้อะไรก็รู้ว่าไอการโกรธกันเนี่ยหือการด่าเขาการนินทาเขาการว่าร้ายเขาการเสียดสีเขามันเป็นความเลวฉะนั้นท่านผู้รู้อัจริยาใดเป็นความเลวท่านก็ไม่เอาเลวเข้ามาใส่ใจใครโยนเลวมาให้ท่านไม่รับนะ พระพุทธเจ้ากล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะความเลวคือความโกรธจำไว้ให้ดีนีครับฟังแล้วก็ไปปฏิบัตินี่ถ้อยคํเขาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าฟังให้ดีเพื่อเป็นประโยชน์ทุกถ้อยคําตือนกล่าวต่อว่าผู้ใดโกรธต่อบบุคคลที่โกรธแล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ลามกกว่าบคุคคลผู้โกรธแล้ว นี่ความจริงโดนพระพุทธเจ้าด่าก็อย่างหนักเนื้อโยนคอโดนค้อหนักหลาตาลทุกข์กบาลเขาแล้วนี่เราก็จะมาดูว่าทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวว่าอย่างนั้นคนที่เขาโกรธแล้วสแสดงว่าเ้าลาหมกมากอยู่แล้วนี่ถ้าเราไปโกรธตอบเข้าท่านบอกว่าเป็นลาหมกมากกว่าคนที่โกรธแล้วเพราะอะไร ว่าตัวนิรดียังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยังทรงความดีอยู่เมื่อบุคคลนี้เขาโกวธเข้ามาก็ไปโกรธตอบเขาอีกก็กลายวา่าเป็นผู้ทำลายสติสัมปชัญญะเดิมความดีเดิมให้เสลายไปเังนั้นว่าพระองค์สมหด็จพระจอมไตรกล่าวอย่างนั้นเป็นการแสดงให้พราหมรู้ เมื่อกลรนที่พระองค์ไม่โกรธตอบนะั้นพระองค์เป็นผู้ชนะและก็ทรงความดีไว้ได้ในพรามที่ทรงความดีไม่ไว้ในเมื่อเขาไม่ตอบกระหาวว่าเราชนะกันแล้วในข้อต่อไปทั้งกล่าวว่าเพราะกลัโกรธตอบนั้นบุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้วย่อมชื่อว่าชนะสงครามอนุบุคคลชนะได้ยาก คือสงครามที่ใช้ด้วยกําลังยุคคือกําลังอาจชนะง่ายๆใครมีกําลังมากกว่ามีสรรพาวุทธมากกว่ามียุทธวิธีในการรบหรือว่ากลยุทธ์ในการรบดีกว่าอาจชนะได้แต่การชนะกําลังใจที่ไม่ทํากําลังใจให้ชั่วนี่มันชนะยาก เพราะข้าสึกที่ยกทัพมาเป็นตัวบุคคลเราเห็นแต่รมที่มันเกิดขึ้นกับใจนี่ถ้าเราไม่มีสติจริงๆเรามองไม่เห็นมีการชนะแบบนี้จึงชื่อว่าเป็นการชนะอย่างยอดเยี่ยมที่คนอื่นชนะได้ยากในต่อไปท่านกล่าวว่าผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติสงบอยู่ได้ คนนั้นเชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งตนและผู้อื่นนี่หมายความว่าถ้าเรานิ่งชนะได้แล้วก็ยังรักษาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายเราไม่เสียเลยแต่ฝ่ายที่เขาโกรธมาแล้วถ้าเขาด่าคนเดียวเขาคิดว่าเราแพ้เขาก็เลิกไปใจเขาก็สบาย ให้เกิดความสุขในกันั่งสองฝ่ายแต่เขาสบายน้อยกว่าเรานิดหนและท่านกล่าวถ่อว่าเมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์ทางสองฝ่ายคือทั้งของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายที่ไม่ฉลาดในธทรมย่อมมีความสาคัญว่าบคุคคลนั้นเป็นคนเขา่าในการที่เราถูกด่านี่แล้วเราไม่ได่าตอบ แต่ว่าคนที่ไม่มีความฉลาดในธรรมเขาก็คิดว่าเราเนี่ยเป็นคนโง่ทำไมไม่ด่าตอบเขาความจริงเรื่องนี้ผู้เคยโดนมาในสถานที่หนึ่งถอยหลังจากนี้ไปประมาณทั้ ง, งสิบปีเศษผมก็ไปทำอย่างนี้แหละไปที่ไหนผมก็ไปอย่างนี้ แบบเนี่ยจริยาแบบนี้พรผว่าทํทำผมเรื่อยไปอะไรก็ตามถ้าไม่เกินความสามารถผมก็ทํางานก่อสร้างงานสังคมใครจะมาทุกขร้อนแบบไหนสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นหมอด้วยเป็นหมอไม่ใช่รักษาเองบอกให้ไปหาหมอเนี่ยใครป่วยใครไม่สบายมาก็ามาถามว่าเป็นยังไงบอก โ, อโยมไปโรงพยาบาลสิ โรคอย่างนี้ต้องไปโรงชย บ, บาลบางทีเขามาถามผมก็มองมองดูว่าเอโรคแบบนี้โรงชย บ, บาลเอาไม่ไหวถ้าคืนไปตรวจหมอจะบอกว่าไม่พบโรค ก, ก็เลยบอกให้ไปหาหมอคนนั้นพระคนนี้ที่เป็นทางใช้วิชัผมโรคประเภทนี้ก็มีอยู่ น, นในขณะนั้นเดียวคนนั้นเองคนมามากๆหนะักเข่าผมก็เลยถูกด่าจาก เจ้าถินเนี่สมัยนั้นเพราะว่าท่านเป็นพระราชาคณะในเมื่อท่านเป็นพระราชาคณะแต่ถ้าว่าแขกท่านน้อยไปคนหาน้อยไปไม่ใหม่เทียงก็ดีแต่ะเข้าท่านทนไม่ไหวเท่ยงก็เลยดา่าท่านอยากจะด่าก็ด่าไปผมขี่เกียรรับฟังฟังได้ยินก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ทําเป็นไม่ได้ยินเสีย ผม ก, ก็อ่านหนังสือผมก็คุยคกับแขกผมก็ทํางานเพื่ตามเรื่องตามราวผม ก, ก็สบายใจท่านเองกลับไม่สมบายใจแต่เน่เคดาด่าของท่านการเสียดสีของท่านชาวบ้านที่เข้าไปเข้ามาเขามีปัญญานี่ยเขารู้เขารู้ในที่สุดท่านยิ่งพนธนามากเท่าไรท่านก็เจงไปมากเท่านั้นคนที่สุดก็ทําอะไรไม่ไหว กิจการงานอะไรที่ทำกันมาก็ผอมก็กร่อยหรอลงไปหมดนี่เราปฏิบัติตามกระแสพระสัทธามาธีพนาเขาโอสมเด็จพระบรมสุคตจิตมันเป็นสุขอย่างนี้เราไม่โตไม่ตอบเพื่อล้วก็ไม่เหนื่อยเราก็สบายอย่างด่าก็ด่าไปอยากว่าก็ว่าไปแต่คนด่าคนว่าประเภทนี้ก็คนที่ไม่โตตอบจะทันสังเกต ด, ดูให้ดี ไม่ช้าไม่นานเท่าไหรก็ย่อยยับไปตามๆกันเป็นอันว่าวันนี้จำไม่ดีนะเมื่อพรพรามที่เขาโกรธก็เพราะเขาขาันลาบสการะแต่ว่าพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าถ้าเขาโกรธมนแล้วเราไม่โกรธตอบท่านจะเป็นผู้ชนะชนะตรงไหนใจเราสบายจะลืมว่ากิเลสสามตัวโลภะความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลง โทษะความโกรธนี่เป็นไฟที่เผาผลาญไร้แรงมากหากว่าท่า น, นหลายตั้งใจจะชนะความโกรธให้ได้ก็จงใช้พรมิหารสีนั่งง่ายดีหรือว่าจะชอบกับสินก็ใช้กระสินสีอย่างคือสีแดงสีงสเขียวสีเหลืองสีขาวทําให้เกิดเป็นฌานควบกับวิปัสสนาอย่างคือสกายทิฏฐิ มาคิดว่าถ้อยคําที่เขาด่านี่ด่าลแล้วถ้อยคำไหลเหล่านั้นมันไปกองอยู่ที่ไหนถ้าเราจะมองไปก็ไม่เห็นว่ามันกองที่ไหนสักนิดแล้วก็มานั่งคิดหาความจริงว่าความด่าไม่มีประโยชน์ถ้าเราเป็นคนเ้าด่าว่าเราเป็นสัตว์เราก็ไปส่องกระจกดูให้เราเห็นหน้าตาเราเป็นคนตามเดิมก็อย่าไปโกรธเขาสงสารเขาเสียดีกว่า ก็ไม่นานเลยโหตายเขาไม่ดีเห็นคนจ่แท้เป็นสัตว์ก็ได้น่าสิ้นดายที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนาถ้าเราทําความดีเขาห า, าเราทําความเลวก็ต้องมีจิตเมตตาว่าไม่นานเลยที่เขาเกิดมาเป็นคนก็ไม่ควรจะกลับไปกลับลงอเวจีมหานรกใหม่เพราะกําลังใจเขาบุคคลพวกเราร้อนเพราะด้วยอารมณ์อิจฉาดิสยา เม่คิดคาดมาดรา้ายก็ดูตัวอย่างพระเทวทัตท่านไปไหนท่านไปเวจีมหานรกนี่เป็นอันว่าพวกเรารักษากำลังใจระงับความโกรธได้พ ม, มิหันสี่กับกระสินสี่กับสากายะทิธิเท่านี้พอถือก็ถ้าไว้บทหนึ่งว่าช่างมันใครว่าอย่างไรก็ช่างมันถห้เงยได้ก็ช่างเขาจะว่าก็ช่างเขาจะนินทาก็ช่าง ช่างของเขาปล่อยให้เขารับไปแต่คนเดียวนีขออ่านเรื่องต่อไปหรอวอเวลาสามนาทีจบแนละ้วไม่จบไม่ทราบนะจำคติไว้ได้นะเพ่งกล่าวว่ามาองค์สมเด็จพระจอมไตรายตัดจัางนี้แล้วอาสุรินทะกะภาระทะวาชพรามได้กราบทูลองค์สมเด็จพระบทัทฑิแกวว่าข้าแต่พระสมณโคโดมผู้เจริญ ไอแรกเขามาดานะตอนนี้ดีแล้วภาสิเขาพระองค์แจมแจ้งมากถ้าแต่พระโคโดมผู้เชิญพระเจ้าชอบใจภาสิต่านท่านท่านทรงสแสดงทำภาสิตโดยปริยายอนเนกกรรมการเปรียบเหมือนกับบุคคลที่ข ย, ย, ย้ายยิไงไายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ บ, บุคคลผู้หลงทางนี่ก็เขาก็เป็นคนดีจริงๆเหมือนกันยอมรับ หรือว่าสรงแบบที่ในที่มดืดจะมีแสงสว่างแก่คนที่มีจักษุย่อมเห็นได้เช่นั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงพระพุทธเจ้าคือพระสนักสัมมนาโคโดมพระเจริญและพระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นสระนักเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าได้บั น, บนชาลอุปบสมุดในสระนักของท่านเถิดเจ้าขา่า สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงประธานการอุปสมบทบรรพชาให้ท่านก็ปฏิบัติมีความภาคเพียรตามบาลีนะบ่เรียนแล้วไม่ชาท่านก็หลีกไปอยู่ในปา่าแต่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปอยู่คําว่ามีตนส่งไปอยู่ก็หมายความเจริญสกายาทิฏฐิไม่สนใจกับตนเอง ไม่สนใจกับคนอื่นและไม่สนใจกับสิ่งใดทั้งหมดไม่นานนักท่านก็นได้บรรลุอรหตัตผลเป็นพระอริยะบุคคลสูงสุดในวบปุทธศาสนาอาราพื่นบรรดาอุบาสุอุบาศิกาและบิสุตสมมเนธทั้งหลายการเวลาที่จะพูดไปก็หมดแล้วต่อที่นี่ไปขอสาวบุคคองสมเด็จประภีรแก่ว จงประคับประคองกำลังใจของท่านให้อยู่ในสมาธิและวิปาาัสสนาญาณตามเวลาที่ให้ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี